คือการการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธต้ปิดกงนี่นะะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําขึ้นนะครับเจนปาคือว่าไม่ใช่ปล่อยให้ตามเวรตากรรมนะคือต้องสิ่งตั้งสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เหมาะด้วยเจช่นชำระเนื้อตัวให้สะอาดทําที่อยู่อาศัยให้มันเรียบร้อยไม่มีห่วงกังวลอะไรนี่นะครับเจนปาการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยมันจึงจะคล่องสะดวกเครับถึงจะเป็นสับปายะใช่ไหมเจนาพระเจ้าจะบอกว่าอะไรอะไรก็ทำไม่ได้เสร็จเหมนกันนะ คือไอ้ที่ทําไม่ได้เนี่ยเพราะไม่เข้าใจปัจจัยถ้าเข้าใจปัจจัยนะจะทําได้ปิดพระลมก็ปิดได้ถ้ารู้จักปัจจัยเจสผากุศลจิตก็เหมือนกันถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยของกุศลนั้นๆเช่นปัจจัยที่ทําให้เกิดศรัทธาคืออะไรใช่ไหมปัจจัยที่ทําให้เกิดความเพียรคื อ, อยังไงสมมุติว่าวันนี้มันชักขี้เกียจแล้วไม่สนใจธรรมะสักข้อเลยนะคิดถึงอบายมากๆนี่ นรกนี่มันของร้อนนะหรือว่าท่านไม่ร้อนอย่างเงี้ยก็ถามไ ง, ไง่ายๆเออท่านไม่ใช่ไม่ร้อนใช่ไหมในนรกเปรตสงสยัยถ้าท่านไปเกิดคงหิวไม่มากนะักทนได้เอาไหมถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานอยู่ได้ไหมไปไถนาเอาไหมโอ้พอมันคิดอย่างนั้นปุ๊บมันวูบขึ้นมาเลยนะโอตับะนี่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราขาดความเพียรพบภูมิเหล่านั้นปิดไม่ได้ทั้งอย่างเมื่อปิดไม่ได้ทั้งอย่างเราปล่อยวันปล่อยคืนให้ล่วงไปอยู่อย่างนี้หรือ วิบากกรร ม, มชรูปเหล่านี้เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยอายุมาจนป่านนี้แล้วเนี่ยมันจะแตกดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายก็คือหนึ่งความตายเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างตายรู้ไม่ได้แม้แต่แห่งเดียวว่าเมื่อไหรขณะไหนวันก่อนบอกว่าความตายเนี่ยมีใครมีนิมิตมาด้วยนะฝ่ามือบอกเลยคุณสิบห้าปีตายคนห้าสิปีตายแปดสิปีตายร้อยี่สปีตายระหว่างนี้คุณไม่ตาย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 ครับผมตามมาทันคุณคุณไม่ลําบากขนาดนี้หรอกผมจะยกให้คุณนั่งอยู่ในบัลลังนั่นแหละแต่ไม่เป็นไราตามมาทันและคุณเป็นเสนาบดีกัแล้วกันนะก็กระจอกงอกง่อยอยู่บ้านนอกเนี่ยไปเป็นเสนาบดีเฉยเลยนะไม่นานพักเดียวกันกรรมมันขวดอุปการะคุณให้ใช่ไหมอยู่ทั้งเมืองใต้ได้เป็นนายกเลยโอ้โอปุถัมพักกรรมดีนะใช่ไหมลูกชาวสวนเป็นได้นายกได้ถ้าไม่มีแล้วคนที่ชาวชนบทเนี่ย เป็นหลายสิบล้านทําไมไม่ได้เป็นขนาดนะใช่ไหมในยกชวนเองก็บอกนะผมไม่ได้มีความสามารถกว่าคนอื่นนะแต่ผมมีโอกาสดีกว่าคนอื่นประโยชคะดีประโยค่าคติมสมบัติตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะห่างเมืองหลวงเหลือเกินนะเจนแต่ว่าท่านมีประโยชคะดีประโยค่แก้ประโยคะได้เจนพาแล้อุปธรรมพฤกกรรมดีด้วยผมมันหลายอย่างเพราะว่าผู้ว่าปัจจัยเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะปัจจัยหลายอย่างเยอะแยะเลย แต่ว่าประโยคนขานี่รู้สึกว่าจะจะเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยนะครับเ <acab S 1> จนพาน <Colonel. S 2> ยังไม่คิดท่านเล่านเนี่ยนะท่านเล่าบอกว่าถ้าเกิดมันไม่มีศรถถาาัทธาเนี่ยนะท่านก็อาจจะต้องไปไม่มีวิริยะท่านจะต้องอาจจะต้องไปหาอุบาที่จะคิดให้เกิดศรัทธาให้เกิดวิริยะให้เกิดสตินี่นะครับ น, นี่เป็นเรื่องของโยประโยคนาทั้งนั้นเลยเจนพานเป็นเรื่องของโยนิโสทั้งนั้นเลยโยนิโสมรสิกานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครรังเกียจโยนิโสมรรสิการเนี่ยอืม ก็เท่ากับรังเกตกุศลด้วยเพราะว่าโยนิโสมนัสการเต็มไปหมดเลยนะนะอ่านในปัญญาพิดองนี่นะแทบจะว่าเกือบทุกสูตรเลยยังว่าได้นะเพราะว่าคําว่าอุบายกับโยนิโสมนัิการเหมือนกันไหมเหมือนกันก็ทั้งอุอุบายหรือกุศโลบายที่จะคิดให้เป็นกุศลจิตได้อะทั้นถ้าหากว่าเราปล่อยตามตามปัจจัยส่วนทั่วไปนะถ้าไม่ไม่เจริญโยนิโสนะ อารมณปัจจัยแบบนี้โลภะจะเกิด<ไ>อารมณปัจจัยแบบนี้โทสะจะเกิดอารมณปัจจัยแบบนี้โมหะจะเกิดเพราะะั้นอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์บางอย่างก็ชวนให้กำหนัดอารมณ์บางอย่างก็ชวนให้ขัดเคืองอารมณ์บางอย่างก็ชวนให้ลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลาเพรนั้นถ้าอุปนิสัยเราไม่สะสมมาดีจริงๆเนี่ยที่จะคิดเป็นกุศลเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายพระภูมิภาคทรงตัดไว้ว่า ผู้ใดสามารถที่จะเปลี่ยนวิตตกเหล่านี้เนี่ยวิต ก, กิ้งก็ได้วิต ก, กิ้งก็ได้แก้ไขวิตตกวันั้นเถอะแก้จากอากุศลม า, มาเป็นกุศลทัานเนี่ยผู้ใดสามารถมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิตกได้ผู้นั้นไม่ห่างจากนิพพานท่านกล่าวไว้เลยนิพพนและอย่างหนึ่งนะเรื่องของการฉลาดคิดหรือว่าสามารถที่จะห้ามวิตตกได้ก็คือคนนั้นมีวิริยะสังวร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 แล้วเราปล่อยให้ความคิดนั้นเตลิดได้ไหมดงนั้นความคิดบางอย่างนั้นอ่ะที่เป็นอกุศลนั้นอ่ะพระองค์จึงสอนให้ละดงนั้นถ้ามันไม่อยากละทํำยังไงหาอุบายเข้าไว้ดงนั้นอุบายที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยมากมายอย่างอุบายละถีนมิทะสอนธโมคลานะไว้ตั้งเยอะแยะมาเลยนะเช่นนึกถึงแสงสว่างเอาไว้เช่นตัวอย่างนะครับเช่นตัวอย่างในชีวิตประจำวันนะ่ะ สมมติว่าท่านจะอท่านกําลังคิดคิดให้เป็นกุศลเนี่ยนะสมมุติว่าท่านคิดถึงทานที่ท่านเคยให้นะครับคิดคิ ด, คดไปแล้วก็อืมหมดอปเปลี่ยนถนะเปลี่ยนอารมณ์นะเป็นเป็นเรื่องที่ท่านเคยสงเคราะห์ผู้อื่นแล้วก็ถ้ า, าหาว่าพอคิดไปได้สักหน่อยเอ๊ะชักตานแ ล, ล้วอะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไปเรื่อยเอ๊ะวันนี้มาฟังคํามนะให้เปลี่ยนอย่างนี้เรื่ อ, อยๆให้มันเป็นอกุศลน เผาพูดใดนี่ทำกุศลไว้เยอะๆเนี่ยก็มีข้อมูลไว้เยอะที่เราจะคิดเปลี่ยนไปเรื่อยดี๋ยดีๆทั้งนั้นเลยนะดีดีๆทั้งนั้นเลยถ้าต้องการแบบละเอียดเลยละเอียดไปเลยเนี่ยนะทุกคนเนี่ยทวีปัญจาจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งทวารใดทวาร น, นึงเอาธรรมะตรงนั้นมาตรึกต่อไปสมมติยุงกัดก็คิดตรงโพธภพารมที่เกิดขณะยุงกัดนั่นแหละ มาตรึกว่าคำสอนกล่าวอะไรตรงนี้ไว้บ้างใช่ไหมว่าเช่นสมมติว่าขณะที่ยุงกัดส่วนใหญ่มันจะคันใช่ไหมคันอันนั้นเนี่ยอารมณ์เป็นอะไรในปัทวีเตโช ว, วาโย ο, เป็นอะไรขนานั้นเป็นเตโชโพธาพารมเตโชนั้นขนาดที่ถูกกัดมีอะไรเป็นสมุทฐานขณาที่ถูกกัดเนี่ยนะถ้าพิษที่ยุงปล่อยไว้เนี่ยนะเป็นเป็นอะไรสมุทฐาน เป็นอุตุสมุทฐานใช่ไหมหรือเป็นอาหารสมุทฐานเป็นได้สองอย่างอ น, นะอย่างพิษข้างนอกที่เข้าไปข้างในเนี่ยนะเป็นได้ทั้งอุตุสมุทฐานและอาหารสมุทฐานนะกระทบกายะประสาทเกิดกายะวิญญาณตรงนั้นอ่า น, นะถ้าได้ขนาดนี้แล้วธรรมะหมวดอื่นๆจะเข้ามาง่ายไหมนะใส่ใจโดยความเป็นขันต่อไปที่จริงขนาดนั้นก็มีเฉพาะขันห้าเท่านั้นเองกายเป็นรูปขันโภทะก็เป็น รูปขันจากกายปภาษาธาเป็นทุกขากายวิญญาณก็เป็นเป็นขันธ์ไรวิญญาณขันธ์ญญญญใช่ไหมแล้วขณะนี้ใครไม่มีกายะวิญญาณบ้างใครไม่เกิดกายะวิญญาณนี่ลาบากแล้วนะพบทวนให้ดีว่าสุขภาพดีหรือเปล่า จริงมีเรื่องที่เราจะเปลี่ยนมิตกเยอะเลยนะเจน่าถ้าเราคิดถึงกรรมสักตาปัญญาเนี่ยโอ้โหอะไรก็เป็นกรรมสกตาปัญญาได้ทั้งนั้นนะ่ะท่าน <ะ S 2> ยกตัวอย่างให้เห็นแก้วที่นเป็นกรรมได้ยังไงอะวันนั้นนะ่ะเจนพานท่านยกซะอีกทีดิอ เ, เออย่างอื่นเอาอยังอื่นเอาอะไรมั่งอ่าเอาเห็นหนังสือกันแล้วกันเห็นหนังสือแล้วเป็นกรรมสกตาได้ไหมได้อ่าถ้าเป็นนะเห็นหนังสือแล้วเนี่ย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 ทานกุศลถ้าคิดจะให้ให้มีผลไหมมีถ้าคิดจะเอามีผลไหมคิดจะเอาอะอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นอ่ะคิดจะอาทินนาทานอย่างเงี้ยมีผลไหมมีผลไหมนั่นแหละมีผลนะหรือถ้าคิดว่าเห็นหนังสือน่ะเอ๊ะพวกที่ให้ทานหนังสือไม่มีบุญไม่เป็นบุญมิจฉาทิถีก็เกิดได้นะในอารมณ์เดียวเนี่ยนะ เอาจิตมาวิตกได้ตั้งยี่สิบดวงเลยถ้าในอารมณ์เดียวนั้น่ะเช่นมีหนังสือเนี่ยนะถ้าโลภะจะเกิดเกิดเพราะอะไรโลทภไอ่โลภ ะ, ะเกิดมีผลไหม ม, มีผลกี่ระยะใช่ไหมต้องดูนะมีผลกี่ระยะก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เพราะว่าหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออวินิพกครูแปดเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ทั้งนะทั้งกุศลและ อากุศลนะวิบากด้วยกิริยาด้วยแต่ว่าพวกเราชาัดเจนมากก็คือเช่นทวิปัญจะอันในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของทวิปัญจะได้สิบครบไหมครบไหมนะตามสมบัติทางตาใช่ป่ะอ่าเนี่ยถ้าเห็นรอยตาหนิก็เป็นอากุศลวิบากใช่ไหมเห็นตาหนิโอ้ไม่ดีเลยเช่นมาเห็นลายมืออะไรขยักไม่งาเมเลยอ่เป็นอากุศลวิบากไห อตรงไม่งามอ่ะตรงที่งามๆก็เป็นจากครูวิญญาณเป็นกุศลรวิบากถ้าหากว่าเคาะถ้าเคาะได้พอดีเสียงเออกุศลวิบากเกิดมันถ้าหากว่าเคาะบางอย่างมากเกินไปกุศลนีบากก็จะเกิดได้ดมมีกลิ่นไหมท้องฝายจะเป็นหวัดมะนะฉะนั้นจึงจําเป็นคันธารมได้เคยชิมหนังสือไหม นั่นแหละลวกแต่แต่ถ้าดินสอเนี่ยเคยนะมาสมัยเด็กๆเนี่กัดนั่งกัดนั่งเคี้ยวอยู่นั่นแหะนั่นแหละแต่หนังสือเนี่ยบางคนบางทีกระดาษเนี่ยถ้าเป็นกระดาษนะม้วนๆเอามากัดเล่นๆเนี่ยอันนี้บ่อยจังการนั่นแหละั้นนะกักแตะลิ้นก็จะมีชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วถ้าจับก็มีกายวิญญาณเกิดขึ้นอันนะ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 หนังสือใหม่หน่อยจะมีกลิ่นอย่างหนึ่งหนังสือไม่เคยอ่านจะมีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งหนังสืออ่านบ่อยๆจะมีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งดงนั้นกลิ่นจะไม่เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าในนี้เป็นอวิณิพครูปมีกลิ่นอยู่ด้วยแล้วอาระสารมเนี่ยนะคงไม่ค่อยมีใครไปชิมหนังสือหรอกนั่นแหละแต่ว่าเป็นรสารมได้ถ้ามาแตะปลายลิ้นนั่นแหละแล้วกายวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องจับอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นทวิปัญจกเกิดได้ ถ้าทวิปัญจเกิดปั๊บสันสัมปติชนะก็เกิดสันติรณะจิตก็เกิดปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนแล้วใช่ไหมเพราะนั้นปัญจทวาราวัชนะทวิปัญจสัมปติชนะสันติรณะโวทพณะเกิดขึ้นโดยที่มีหนังสือเล่มนีเนมจจ้เป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณปัจจัยแล้วชาวนาจิตเป็นอะไรขณะที่ที่มีหนังสือเป็นอารมณ์อันนั เป็นจิตถ้าพวกเราทั้งหลายก็ยี่สิบดวงใช่ไหมในในวิถีจิตถ้าหากว่าเห็นแล้วโลภะเกิดเป็นยังไงถือโดยนิมิตและอ น, นุพยัญชนะโอ้โหเขาจับทำรูปเล่มงามเนะเป็นส่วนใหญ่เป็นโลภะนะถ้าหากว่าเห็นแล้วคิดโอ้โหรูปเล่มหน้ากเกลียดจังโทสะเห็นแล้วก็เฉยขีเกียจอ่า น, นไม่สนใจสักอย่างอันนี้เป็น โมหะแต่ถ้าเห็นอะโอ้โหเห็นหมือนเขาแจกหนังสือไปเมื่อกี้ใช่ัหมเขามีศรัทธาเนาะนะคนคนนี้มีศรัทธาแต่ถ้าเห็นให้เป็นกุศลได้ไหมปารบอะไรปรารพความในนั้นปาถึงว่าเออนี่นะอพยากตะอันนี้บรรจุพระทาคำสอนของพระผู้มีพระภาคกล่าวเอาไว้อย่างนี้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 อพยากะตะอันนี้เนี่ยเก็บข้อความที่พระผู้มีพระภาคกล่าวเอาไว้พระธรรมคําสอนเหล่านี้เป็นนิยานิกระทำเป็นธรรมเพื่อช่วยให้ฝัดพ้นจากวัตทุกนะเพื่อช่วยให้ให้ฝัดทั้งหลายพ้นจากสังสารทุกข์อันเราก็นึกถึงพระธรรมหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายว่าท่านปฏิบัติตามนี้แหละอย่างเช่นเล่มเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าปฏิสัมพิธา ม, มากัก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 พวกไม่ชอบอ่านหนังสือจะคิดอีกอย่างหนึ่งนอนหนังสือจะคิดอีกอย่างหนึ่งความคิดซึ่งแหลกละในความคิดเหล่านั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมมีผลไหมเจตนะนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะดวงที่เจ็ดชาติหน้านะดวงที่สองถึงหกชาติที่สามเป็นต้นไปนั่นแะหละแล้ว กรรมที่ทําำในอดีตชาติใครทํากรรมไม่น้อยบ้าง <c oughs> เคยคิดไหมว่าข้างหลังเนี่ยมันตามเรามาเยอะจริงๆเลยวันนี้เดินจังกงนะเสียวสันหลังวาบเลยโอ้โหข้างหลังนี่มันมากมายขนาดนี้เลยเหรอเอาแค่ชาตินี้นะโอ้มันมากจริงๆเลยนะแค่กรรมในชาติเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยโอทําทำมาเยอะแยะมากมายเลยเวันนี้แค่กรรมชาตินี้นะประโยค่าสมบัติเพื่อเลี่ยงกรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วแล้วอดีตชาติเนี่ยนะชาตินี้ถ้าเรา ถ้าเราอดีตชาติถ้าเราเป็นคนดีจริงนะเราจะไม่คิดจิตที่เป็นอาภุศลเลยแสดงว่าพบก่อนๆเราก็สะสมไม่ดีมาเพราะเราสะสมไม่ดีมาเราจึงทําปานาติบาตนั่นแหละเพราะชาตินี้เราก็ทําปานาติบาสไว้ค่อนข้างมากเพรา ะ, ะกรรมประเภทอายุสัน้นเหตุไว้เยอะนะประโยคข้าววิบตัติเมื่อไหร่ก็สมความปาถนาลอยเพราะเหตุทําไม่แล้วนั่นแหละอธินาทานก็เหมือนกันนุ๊สมัยก่อนเนี่ยรักษาตังแม่ประจาอะ่ะอทินาทานเนี่ยบ่อยเลยอะ่ะ มีหนังยืดหนังยืดเอาไปเป่าเล่นอะไรแบบต้นนอกอใช่ไหมก็ลักหนังยืดนั่นแหละมีอะไรลักหมดแหละของกินเนี่ยก็ลักกินหมดอะ่ะอันอาทินาทานก็ไม่ใช่น้อยเลยพอแม่จับได้ปับนะ๊บแล้มูสาววาดอีกนั่นนะเล่าหน้านั่นน้างนนั้นแน่ใช่ไหมอันเขาบอกว่ามีแอลพาสิทของที่ซุรินเขามีวางว่า เออถ้าอยู่สุรินแล้วไม่กินสุราเนี่ยก็เรียกหมาสุรินใช่ไหมครับเขาเขาสำนวนของชัยศิริชัยศิริเป็นคนให้สโลแกนอันนี้ขึ้นแต่งสโลแกนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขายสุราไงนั่นแหละเขาแต่งสโลแกนของชาวสุรินว่าเอออยู่สุรินไม่กินสุราเรียกว่าหมาสุรินเขาว่างั้นนะมีมีคนให้ให้สโลแกนอย่างนี้ไว้นั่นแหละเป็นสโลแกนของคุณชัยศิริอ่าทีนี้เราคิดดูว่า ทีนี้มีคนฉลาดเขาคิดใหม่ก็บอกใครไม่กินสุราเป็นเทวดาสุรินต์เขาว่ขนาดนั้นเนี่ยเป็นทั้งหมาเป็นทั้งเทวดาเลยอยู่สุรินต์สมัยกั น, <c oughs> นเลิกก็มีนะกินก็มีมันเป็นทั้งหมาเป็นทั้งเทวดาเลยเออทีนี้เราเคยทํากรรมประเภทเดื่มสุราไว้มันปัจจัยที่ทําให้อุทาจาคมีอยู่อั้นเราเห็นคนปัญญาอ่อนเนี่อยากคิดว่าเราพน้นแหละของธรรมานี่มองได้เลยว่าเรายังไม่พ้นสภาพแบบนั้น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 สมาทานไม่เรียบร้อยแล้วนั้นแล้วแต่ประโยคะอาศัยกาละบางอย่างกรรมเหล่านั้นจะให้ผลทันทีเลยอาศัยประโยคะบางอย่างกรรมเหล่านั้นจะให้ผลทันทีเลยอาศัยคติบางอย่างกรรมเหล่านั้นจะให้ผลทันทีนั้นชีวิตของเราเนี่ยสะสมความคิดไว้ขนาดไหนหรือใครว่าความคิดไม่มีผลน <g oda> <c oughs> ะเ <c oughs> <c oughs> ที่ย แ, แค่ธรรมดานะความคิดบางอย่างสนับสนุนความคิด <c oughs> ความคิดบางอย่างตัดความคิด <c oughs> ความคิดบางอย่าง น, น, นะนะเขาเรว่าเบียดเบียนความคิดบางอย่างเข้าไปแปลว่าความคิดของเราเนี่ยคิดนึกต่างๆเหล่านี้นะแต่นี้ในลักษณะปากตูป่านิสยปัจจัยแต่นานักขาคณิก ก, กรร ม, มปัจจัยอ่ะจะเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราตลอดอันถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีๆนะจึงจึงปล่อยจิตไปทํากรรมไว้มากมายมหาศาลถ้ายิ่งกรรมที่ปล่อยไปกับอํานาจของโมหะเนี่ย เพราะเดรัชานเนี่ยศัพท์เดรัชานเนี่ยจึงมากมายจริงๆเลยอันในขณะตามมองเห็นโลกเนี่ยไม่ควรประมาทเป็นอย่างยิง่งหูได้ยินเสียงเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเป็นกรรมนิกาตาได้ไหมนั่นแหละถ้าทํากา ร, รชั่วนะถึงอยู่บนฟ้าก็ไม่พ้นนะพระ อ, องค์แสดงไว้เลยว่าถ้าหากว่าคนที่ทําอกุศลกรรมไม่มากนะถึงจะอยู่ในท้องฟ้าก็ไม่พ้นใช่ไหมมีกาตัวหนึ่งเนี่ยบินพับพับพับพบพบพบพบไป ทีนี้ไอ้เสเวนหมอ้อนะที่รองหมอ้อสมัยก่อนหมอ้อดินใช่ก็จะมีที่รองหมอ้อแขวนไว้ข้างฝาไฟมันลุกวาบเข้าไปทีนี้มันลุกมันปลิวขึ้นเลยนะสวมคอกาพอดีเป๊ะนหละนั่นแหละกรรมมันจะให้ผลเนี่ยอยู่บนท้องฟ้ามันก็ยังให้ผลได้แต่เครื่องบินใช่ไหมบินยังยังระเบิดอยู่บนนั้นก็มีใช่ไหมไอ้ที่ตกมาก็มีใช่ไหมทันทางผ่านมาเนี่ยมีที่เครื่องบินตกนะผ่านทุกวันทุกวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาักุศลกรรมที่สมาทานไว้แล้วเนี่ยมันมีผลเมื่อมันมีผลแล้วขณะนี้เนี่ยเรายินดีที่จะให้อักุศลกรรมเหล่านั้นให้ผลไหมถ้าประโยค่าวิบัติมันให้ผลแน่แต่ถ้าหากว่าเรามีประโยค่าสมบัติสา ม, มารถที่จะเจริญกุศลได้ก็บอกถ้ า, ากุศลจิตเกิดบ่อยๆมันจะบรรเทาได้นั่นแหละมันถือว่าเป็นประโยค่าสมบัติ ถ้าประโยชนค่าสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นมากมากนะท่ากุศลเกิดขึ้นระดับมรค ก, กุศล<อ>นะพ้นเลยหรือระดับชาณากุศลนะความทุกเหล่านั้นไล่ไม่ทันเนี่ยนะเรียนกะว่าแล้วแต่ถ้ารถเนี่ยถ้ามีข้างหลังเนี่ยตามมาเยอะๆแล้วแต่เครื่องของเราถ้าเครื่องดีก็หนีพ้นอะ่ะแต่เครื่องไม่ดีก็หนีไม่พ้นฉะนั้นกรรมอากุศ ล, ลกรรมในอดีตเนี่ยติดตามเรามาตลอดเลยนะขณะนี้ก็ตามมา เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ข้ามันนะถ้าป่วยเมื่อไร่โอ้ยจะไปทำเบญนากรรมอะไรมาเนาะฝ่ายตอนกรรมดีดีเอ๊ะฉันทํากรรมดีอะไรมานะจึงมาให้ผลดีอย่างเงี้ยไม่เคยคิดนะแต่ว่าพออาุศุลกรรมให้ผลปั๊บเนี่ยคร่ำครวญแล้วทาเป็นทํากรรมทําบาปอะไรมานะนนะหาแล้วไอกรรมตัวไหนเนาะนั่งบน่นนั่งคิดอยู่นั่นแหละแต่ฝ่ายกุศลวิบากให้ผลมาตลอดเลยนะใช่ทําเป็นไม่รู้ไม่ใช่้เหมือนเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาว่าขณะนี้จิตเราเป็นอย่างไร สา ม, มารถที่จะเจริญกุศลจิตข้อไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นพวกกรรมฐานต่างๆเนี่ยควรศึกษาไว้เป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะไม่ปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปกับอกุศลอันถ้าวว่ากุศลประเภทพรมหมฐานเนี่ยประเภทเมตตาอันโพงแสดงว่ามีผลมากมายภาศาลใช่หทานกับศีลหรือเมตตาเนี่ยสามอย่างากกาาไหนมีผลมากกว่ากันทานศีลเมตตาไหนมีผลมากกว่า เมตามีผลมากที่สุดเพราะคนมีเมตตาแล้วจะให้ทานก็ง่ายคนมีเมตตาแล้วรักษาศีลก็ง่ายคนมีเมตตาแล้วเจริญภาวนาก็ง่ายเจริญภาวนาชั้นอื่นๆอีกก็ง่ายเพะั้นกุศลจิตเนี่ยอย่าประมาทเลยเั้นกุศลจิตนะก็มีอาหารใช่ไหมอาหารของกุศลมีอะไรบ้างนะเหตุภายในที่ทําให้กุศลเกิดคือโยนิโสมณสิการะเป็นอาหารภายในให้กุศลจิตเกิด อาหารภายนอกที่ทําให้กุศลจิตเกิดปัจจัยภายนอกคืออนะกาลยานามิตรคือกาลยานามิตรเนี่ยเมื่อครบกาลยานามิตรจะหวังอะไรได้มั่งถ้ามีกาลยานามิตรจะได้ฟังกระทาวัตถุสิประกนะถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกาลยานามิตรคือเขามีศรัทธามีหิริโอตปะมีสุตะมีจาระมีปัญญามีกุศลธรรมเหล่านี้แหละกาลยานามิตรเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เราเป็นบาปหรอก เขาจะไม่ชวนคุยเรื่องที่ไม่ควรคุยเขาจะชวนเช่นว่าด้วยเรื่องของถ้าเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าจะสนมักน้อยสันโดษมีความเพียรนั่นหละาะสีรกกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศ น, นะกะถาท่านก็จะพยายามที่จะปรารบให้กุศลจิตยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นให้ได้อันกัลยานามิตรนะถ้าท่านนิ่ง นะถ้าถ้าเราเคยเคยคบกับกาลยานมิตรถ้าเขานิ่งเนี่ยแสดงว่าเขากําลังใส่ใจธรรมะหมวดใดหมดหนึ่งอยู่เนี่ ย, เ, ยเขาคิดธรรมะไว้ยเราจะมักปล่อยจิตอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมเราก็จะพยายามคิดเป็นธรรมะแล้วเพราะเขาเขานิ่งยังมีผลต่อใจเราเลยอ่ะใช่ไหมพอเขาพูดปั๊บเราต้องเอามาคิดอีกและเพราะนั้นธาได้กาลยานมิตรนะจึงกาลยานมิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรราะฉั้นผู้ที่สามารถาถ้าถ้ายิ่งสมัยนี้เลยนะก็คือ ให้เอาพระธรรมนั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินัยใดที่ตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นเนี่จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายงนั้นถ้าสมัยนี้นะกัลยาณมิตรเราจะอาศัยได้อย่างไรอาศัยได้ด้วยการทรงจําพระสูตรทรงจําพระธรรมเอาไว้พระธรรมนี่แหละจะคอยเตือนเราบอกอย่านะคิดอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้พระธรรมจะคอยบอกเราตลอดถ้าเราจําพระธรรมได้ไจํำไม่ได้ก็ใส่กระเป๋าไปด้วย ว่างๆก็เปิดเลยนหจำไม่ได้ก็คล่องยังยังท่านจะไปไหนสักแห่งนี่นะแล้วเอาคติสมบัติกับคติวิบัติเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ไหมครับเช่นสมมติว่าท่านจะไปอุบลเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดกุศลจิตไม่เกิดเนี่ยถือว่าคติวิบัติได้ไหมครับอกุศลจิตไม่เกิดถือว่าเป็นประโยชน์ประโยควิบัติ กุศลจิตถ้ากุศลจิตไม่เกิดนะเพราะขาดโยนิโสมนัสิกา ร, ระแต่ก็น่าจะมีนั่นดูถึงแม<ข>้ท่านจะคติก็คือคติได้แก่อะไรวิบากตรมมัชโรคือคติแต่ถ้าหากว่าสถานที่หรือว่าการละวิบัติหรืออะไรเงนนะ<ม>เป็นสถานที่ที่ไม่มีพุทธบริษัทอันนี้เขาเรียกว่ายุคในการลวิบัติแต่ถ้าหากว่าไปที่นั่นนะของมาเนี่ยกลมตัวนะ ถ้าเราจะไปที่ไหนที่นั่นจะต้องมีพระไตรปิฎกไว้กลับที่แปะเรียวก็จะต้องมีพระไตรปิฎกไว้มีหนังสือพร้อมคนได้ระบายเลยกลับบ้านที่สุริก น, รนก็มีที่ค้นตาราได้ไปที่อุบลก็มีที่ค้นตำราอกีกไปยโสธรยังมีที่ค้นตาราเลยกลับมาปัจจีนก็มีที่ค้นตารามันวางพระไตรปิฎกไว้เป็นจุดๆงั้นถ้าเราไปนะจะต้องมีตําราให้อ่านต้องมีพระธรรมให้อ่านตลอดนั่นแหละก็ต้องเขาบอกว่า เราทําเหตุไม่ไมดีนะักต้องประโยค่าให้มันดีๆหน่อยนั่นแหละอย่างน้อยที่สุดนะทำไมก่อนเนี่ยแบกแต่ตําราอย่างเดียวเลยนะยามเนี่ยโหบริขาร น, นิดเดียวที่เหลือตาราทั้งนั้นเลยอันนี้แบกไปแบกมาอ í, ทํำยังไงดีทํำยังไงเราจึงจะให้ตําราเกิดขึ้นในขณะที่เราเห็นเลยขันก็พยายามที่จะคนคิดดึงพระธรรมคําสอนลงมาในชีวิตพระธรรมเนี่ยคืออะไรกันแน่เช่นคําว่า อริยสัจอย่างเงี้ยหรือคําว่ามัชชีมาปฏิปทานเนี่ยคิดยังไงเป็นอตากิรัตมานุโยคทําตัวยังไงเป็นกามสุขัลริการุโยคทํายังไงเป็นมัชชิมาปฏิปทานถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอันนี้ป้าเราจะเข้าใจธรรมะจักทันทีถ้าเข้าใจธรรมะจักแสดงว่าเราเข้าใจเรื่องอริยสัจละระดับนี่ทีนี้ถ้าเข้าใจเรื่องอริยสัจจะเข้าใจเรื่องขันห้าถ้าเข้าใจเรื่องขันห้าดีจะเข้าใจเรื่องท่าเรื่องอายตนะเรื่องธรรมะหมวดอื่นๆจะสัมพันธ์กันทั้งหมด ถ้าเข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆด้วยลำดับมหาถ้าผู้เรียนอภิธรรมมัตสังฆาคิดถึงปริเชตหนึ่งก็ได้ประเชตหนึ่งกล่าวว่ายังไงประเชตสองกล่าวว่ายังไงประเชตสามกล่าวาาว่ายังไงก็สามารถมาตรึกมาพิจารณาอยู่บ่อยๆทบทวนบ่อยๆนะแต่แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในในชีวิตจริงๆได้ฮัลโหลพอพูดถึงพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะนึกถึงคำภีร์ถ้าตอนนี้จะคิดว่าอยู่ส่วนไหนของชีวิต พูดหนึ่งคำขึ้นมาเช่นพูดคำว่าสติอย่างเงี้ยจะนึกว่าส่วนไหนของชีวิตแต่าเมื่อก่อนนะโอ้โหคำว่าสติสติเป็นฉนะัยอย่างเงี้ยจะนึกถึงข้อความในคำภีรหรือว่าทำทั้งหลายมีกระแสทั้งหลายมีสติเป็นเครื่องเครื่องกั้นจะนึกถึงพระพุทธพจน์เหล่านั้นแต่แต่ตอนนี้ก็คำเหล่านั้นก็ยังมีอยู่แล้วก็สังเกตในขณะนี้ด้วยใส่ใจถ้าสติจะเกิดขึ้นขณะนี้จะเกิดได้เพราะอะไร